พระบัญญัติ248ก็ภิกษุใดเคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันในเวลาวิการต้องอบัติปาจิตตีเรื่องพระสัตรัสวัคีจบ